บุ๊กทูยี่สิบหกดือดสมิทเซชิธรรมชาติดาบาคุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมครับไวตุตุเรจตร์นิคุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมครับ v a ต์ตุตุรเรจิค a ลนุคุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมครับไวต์ตุตุรเรจิเซียมัตุคุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมครับวุตรุรคุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมครับว ต, ตุตุรจติล คุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมครับ Why to toresiaero ผมชอบนกตัวนั้น Das putins mantik ผมชอบต้นไม้ต้นนั้น Das cooks mantik ผมชอบก้อนหินก้อนนี้ Das ackmens mantik ผมชอบสวนสาธารณะแห่งนั้น Das Parks m a n p a t ī k ผมชอบสวนนั้น Das Dars m a n p a t ī k ผมชอบดอกไม้นี้ Sie p u t e m a n p a t ī k ผมว่านั่นมันสวย <S Man s e h t j a u k ผมว่านั่นมันน่าสนใจมันจะเฉียดอินเทร์ซันท์ผมว่านั่นมันงดงามมันจะเฉียดบรินัมสไกสผมว่านั่นมันน่าเกลียดมันจะเฉียดเนกลีดผมว่านั่นมันน่าเบื่อมันจะเฉียดการไลทิก ผมว่านนั่นมันแย่มันจะเสียชาส์มิกส์